สิขาบทที่เกาว่าด้วยการสับแช่งตนเองและผู้อุ่เรื่องภิกษุณีจันทากาลี874สมัยนั้นพระภูมีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายไม่เห็นสิ่งของของตนได้กล่าวกับภิกษุณีจันทากาลีดังนี้ว่า แม่เจ้าท่านเห็นสิ่งของของพวกเราบ้างไหมพิกุณีจันทากาลีตัมนิประนามโวลธนาว่าดิฉันนี่แหละที่เป็นขโมยดิฉันนี่แหละไม่มีความละอายพวกแม่เจ้าที่ไม่เห็นสิ่งของของตนต่างพากันกล่าวกับดิฉันอย่างนี้ว่าเห็นสิ่งของของพวกเราบ้างไหมแม่เจ้าถ้าดิฉันเอาสิ่งของของพวกท่านไปดิฉันก็จงเป็นผู้ไม่ใช่สมณะหญิงจงเคลื่อนจาก จงบังเกิดในนรกส่วนผู้ที่กล่าวหาดิฉันด้วยเรื่องที่ไม่จริงก็จงไม่เป็นสมณะหญิงจงเคลื่อนจากโรมจัจทร์จงบังเกิดในนรกบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโผนธนาว่าฉันใยแม่เจ้าจันท ก, กลัลลีจึงสามแช่งตนเองบ้างผู้อืดบ้างด้วยนรกบ้างด้วยโรมจัจทร์บ้างเล่า